นางได้อุปสมบทแล้วก็เจริญวิปั ส, สนาเพื่อมักเบื้องบนขึ้นไปวันหนึ่งท่านก็นำหม้อน้ำมาเทรดล้างเท้าน้ำนั้นไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดหายไปรดครั้งที่สองน้ำก็ไปได้ไกลกว่าครั้งที่หนึ่งรดครั้งที่สามน้ำไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดไว้ทั้งสาม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 บรรลุโสดาปติผลในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคตส2องนหุตคือหนึ่ง0สองหคนที่สวนตาลนมวันต่อมาท่านได้ฟังธรรมแล้วบรรลุสกทาคามิผลต่อมาก็ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุอนาคามิผล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 หกพระนันทาเทรีภิกษุณีผู้เลิศทางยินดีในฌานอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงสงไปรับมหาทานแล้วเปร่งวาจาปรารถนาตำแหน่งภิกษุณีผู้เลิศทางฌาน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าจาักสำเร็จตามปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะอัตถกถาเรียกสุนทรีนันทาเถรีและเล่าว่านางได้เห็นพระพุทธเจ้าปทุมุตระแต่งตั้งพิษุนีรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิศทางยินดีในฌานคือชานียังยทิทังนางจึงทำกุศลเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้น าสุดท้ายนางเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุดโทธนะกับพระมหาประชาบดีแห่งกรุงกบิลพัทเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามจึงได้ชื่อว่านันทาอัตถกะทาว่าหมู่ญาติเรียกพระนางสามชื่อคือนันทาหรือรูปนันทาหรือชนบทกาลยานีเพราะทรงมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักและยกย่องว่าเป็นสาวงามของชนบท พระนางมีแสงสว่างออกจากพระวรากายไกล12สองอกยามอยู่ในห้องที่มืดมิดไม่ต้องจุดประทีปเลยเหมือนพระพัฒกาปิลานีความสวยของนางเป็นรองก็เฉพาะพระนางยโสธราคือพิมพานอกนั้นนางงดงามกว่ายุวนารีทั้งปวงพระพาดาพี่ชายของพระนางคือพระพุทธเจ้า และทรงเป็นน้องสาวแท้ๆของพระนันทะอัตถคถาเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิวาสพระนครกบิลพัทพระนันทะและพระราหุลออกบวชต่อมาพระเจ้าสุดโททนาปรินิพานพระนางนันทาได้ทราบว่าพระมารดามหาประชาบดีโคตมีและพระมารดาของพระราหุลคือพิมพาเสด็จออกผนวดเป็นภิกษุณีแล้ว คิดว่าตนเองมีงานอยู่คนเดียวจึงไปสำนักของพระมหาปชาบดีเถรีแล้วบวชอธกถาเถรีคถาว่านางบวชด้วยความรักพวกพระญาติที่บวชเมื่อพี่ชายคือเจ้าชายนันทาออกบวชแล้วพระมารดาคือพระนางปชาบดีตรัสเตือนว่าดูก่อนพระราชสุดา ลูกรักเกิดในสักยะสกุลเป็นพระอนุชาแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีนันท ก, กุมาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในวางเล่ารูปถึงจะมีความเจริญก็มีความแก่เป็นที่สุดบันดิตรู้กันว่าไม่สะอาดเมื่ อ, อยังเจริญก็ไม่มีโรคแต่ก็มีโรคที่บั้นปลายชีวิตมีความตายเป็นที่สุด รูปของเธอนี้แม้ว่าจะงามจูงใจให้นิยมดุดดวงจันทร์ที่ใกล้กันเมื่อตกแต่งด้วยเครื่องประดับมากอย่างก็ยิ่งมีความงามเปล่งปั่งเป็นที่กำหนัดเป็นที่ยินดีของในตาทั้งหลายคล้ายกับวัพย์ของโลกที่บูชากันเป็นรูปที่ให้เกิดความสารเสริญเพราะบุญมากที่บำเพ็ญไว้เป็นที่ชื่นชมแห่งวงโอกาการาช ไม่ช้านานเท่าไรชราก็จักมาย่ำยีลูกรักก็จะละพระราชฐานและรูปที่บัณฑิตตาหนิประพฤติพรหมจรรย์เถิดออกบวชแล้วก็ยังหลงติดรูปโฉมพระนางแม้เป็นผู้หลงไหลในความงามของตนแต่ มีอาจขัดพระทัยพระมารดาจึงออกบวชแต่ร่างกายส่วนใจไม่ได้อยากบวช ด, ด้วยบวชแล้วก็ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรอธกถาเอกนิบาตเล่าว่าพระเทรีบวชแล้วทราบว่าพระศาสดาทรงตำหนิรูปร่างกายจึงไม่ยอมไปเข้าเฝ้าแม้ถึงวาระจะต้องไปรับพระโอวาทก็ส่งภิกษุณีรูปอื่นไปแทนให้นำพระโอวาทมา พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนางมัวเมาในพระสิริโฉมจึงตรัสสั่งว่าภิกษุณีทั้งหลายต้องมารับโอวาทของตนด้วยตนเองส่งภิกษุณีรูปอื่นไปแทนไม่ได้พระนางจึงต้องไปด้วยตนเองทำให้ได้เห็นสตรีที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตขึ้นสตรีนั้นจับใบตาลถวายงานพัดอยู่พระเถรีเห็นแล้วคิดว่า เราหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ไม่ควรทำให้ไม่ได้มาที่นี้ก็หญิงนี้ยังสนิทกับพระาศาสดาเลยความงามของเรายังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกของนางเลยอัธกถาธรรมบทว่าหลังจากพระนางบวชแล้วได้ยินกิติศัพท์ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายมักตรัสสอนว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จึงไม่ยอมให้เผชิญหน้าเกรงว่าจะตรัสโทษของรูปร่างกายอีกเพราะที่จริงแล้วรูปร่างกายของเรางดงามน่าดูน่าชมครั้งนั้นชาวพระนครสาวัสถีมักเข้าไปถวายทานสมทานอุโบสถในวัดพระเชตวันตกเย็นก็ถือของหอมและดอกไม้เข้าไปฟังธรรม ครันฟังแล้วก็พากันกล่าวสารเสริญคุณของพระศาสดาพระรูปนันทาเถรีสดับคำสารเสริญเหล่านั้นแล้วดำริว่าคนทั้งหลายกล่าวชมเจ้าพี่ของเราหนักหนาเราน่าจะไปรับฟังธรรมดูบ้างหากพระองค์ตรัสโทษของรูปก็จะตรัสสักเท่าไรเราจะไปกับพวกภิกษุณีโดยไม่แสดงตัวเลยแล้วแจ้งแกภิกษุณีว่า วันนี้ดิฉันจะไปสู่ที่ฟังธรรมพวกภิกษุณีมีใจยินดีว่ายากนักที่พระนางรูปนันธาจะมีพระประสงค์ไปฟังธรรมจากพระาศาสดาวันนี้พระาศาสดาจะทรงอาศัยพระนางแสดงธรรมอันวิจิตรพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าวันนี้พระนางจะมาฟังธรรมทรงพิจารณาว่ารูปนันธาหนักในรูป มีความรักความเยื่อใยในอัตภาพอย่างแรงเราจักบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปอันเป็นที่สบายแก่เธอดุดการบ่งน้ำด้วยน้ำฉะนั้นเมื่อพระนางเข้ามาสู่วิหารแล้วทรงเนรมิตหญิงมีรูปงามปริ้งอายุ16ปีนุ่งผ้าแดงประกอบด้วยอาพรทุกอย่างยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ ฝ่ายพระนางถวายบังคมพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงดูแลพระองค์ตั้งแต่พระบาททรงเห็นความรุ่งเรืองแห่งพระวรกายของพระองค์และเห็นหญิงงามนั้นนางรู้สึกว่าตนเองเป็นเหมือนนางกาอยู่ข้างหน้าหงทรงชื่นชมหญิงนั้นว่างามทุกทุกส่วนพระพุทธเจ้าทราบแล้วทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นเปลี่ยนเป็นหญิงอายุ 16- 20ปี พระนางเห็นแล้วคิดว่าไม่งามเหมือนรูปก่อนทรงเปลี่ยนให้หญิงนั้นเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงกลางคืนหญิงแก่รูปมีฟันหักผมหงอกหลังโกงมีสิ่โครงขึ้นมีไม้เท้ายันอยู่ข้างหน้างกงันอยู่ทิ้งใบตาและไม้เทา้าร้องเสียงครล้มลงที่พื้น นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในอุจจาระปัสสาวะพระนางเกิดความเบื่อหน่ายเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงให้รูปนั้นถึงแก่ความตายมีศพขึ้นพองมีหมูนอนคลานออกจากทวาวรทั้งเก้าพระรูปนันทาทรงพิจารณาแล้วเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้เห็นว่าสภาพนั้นจกมาถึงแก่ตนเช่นกันเกิดปัญญาเห็นความเกิดในภพทั้งหลาย ประดุดไฟเผาลนและดุดมีซากศพผูกไว้ที่คอพระพุทธเจ้าทราบแล้วตรัสว่านันทาเธอจงดูกายอันกรรมสร้างขึ้นส่วนบาลีอปทานเล่าต่างไปว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงเนรมิตหญิงงามน่าดูชมมีรูปงามกว่าพระเถรีเห็นแล้วคิดว่าเป็นลาบในตาของเรา ได้สอบถามถึงชื่อและโครแต่รูปเนรมิตรนั้นกล่าวว่าไม่ใช่การถามปัญหาแล้วขอหนุนตักพระเทรีหลับและร่างอันงามของนางก็เปลี่ยนไปเกิดฝีแล้วมีน้ำหนองและเลือดแตกออกใบหน้าปริแตกมีกลิ่นปฏิกูลฟุ้งออกลำตัวบวมเขียวหายใจทีๆเสวยทุกหนัก พระเทรีเห็นแล้วอุทานว่าใบหน้าที่งามของแม่หายไปไหนจมูกที่โดงงามของแม่หายไปไหนริมฝีปากที่สวยเหมือนสีลูกมาปรับสุขของแม่หายไปไหนวงหน้างามคล้ายดวงจันทร์และลำคอละไม้ตอมทองคำของแม่หายไปไหนใบหูของแม่เป็นดังว่าพวงดอกไม้มีสีเสียไปแล้ว ทันทั้งคู่ของแม่เหมือนดอกบัวตูมแตกแล้วมีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปคล้ายกับว่าศพเน่าแม่มีเอวกลมกลม่อมมีตะโพกพึ่งพายแต่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วถอยโอ้รูปไม่เที่ยงอวิวะที่เนื่องในสรีระทั้งหมดมีกลิ่นปฏิกูลน่ากลัวน่ากเกลียดเหมือนซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ยินดีของพวกผานชน บรร ล, ลุธรรมพระเทรีมีจิตสลดพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูรูปที่กระสับกระส่ายเปื่อยเน่าดังซากศพจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่ไม่สวยงามรูปนี้เป็นฉันใดรูปเธอก็เป็นฉันนั้นรูปเธอเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้นรูปนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไป พวกคนพานยินดียิ่งนักพวกบัณฑิตผู้มิได้เกียรติคร้านย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันเธอจงเบื่อนายพิจารณาดูรูปนั้นด้วยปัญญาของตนจบพระคถาพระเถรีได้บรรลุอรหัตผลอธกิกถาเถรีคถาว่าพระเถรีส่งจิตไปตามกระแสพระเทศนาที่ว่าแน่ นันทาเธอจึงดูรูปกายอันกระสับกระส่ายก็บรรลุโสดาปฏิพล์จากนั้นตรัสบอกกรรมฐานที่พิจารณารูปกายว่ารูปนี้อันธรรมดาสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉาบด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งชารามรณะมานะคือความถือตัวและมัคขะความลบปลูจบพระเทศนา พระเถรีบรรลุอรหัตผลคลัล้นบรรลุแล้วได้กล่าวคาถาว่าเมื่อข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทค้นคว้าอยู่โดยอุบายอันแยบคายได้เห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามเป็นจริงที่นั้นข้าพเจ้าจึงเบื่อหน่ายในกายและคลายกำหนัดภายในเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวในสิ่งใดๆเป็นผู้สงบระ ง, งับสนิทแล้ว ภายหลังพระเถรีได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพิษุนีผู้เลิศทางยินดีในฌานพุทธศาสนาสุภาษิตอิทิพาโวกิงกะยิราจิตตมหิสุสมาหิเตยานมหิวัตมานามหิ สัมมาทธรรมวิปัสตโตยัสสานุนาสิยาเอวังอิทิหังปุริโสติวากินจิวาปนะอัสมีติตังมาโรวัตตุมรหติเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วเมื่อยานเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ผู้ใดมีความคิดเห็นแน่นอนอย่างนี้ว่า เราเป็นสตรีหรือว่าเราเป็นบุรุษผู้ที่ยังมีความเกาะเกี่ยวว่าเรามีอยู่มารควรกล่าวกับผู้นั้นเถิดเจ็ดพระโสนาเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางปรารบความเพียรอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระ นางเกิดในตระกูลเศรษฐีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางปรารจกความเพียนนางจึงได้กระทำสักการ ะ, ระเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นชาติสุดท้ายมีลูกมากบาลีอปทานว่า นางเกิดในตะโกลเศรษฐีกรุงสาวัถีเติบโตเป็นสาวแต่งงานและมีบุตรชายสิบคนทุกคนล้วนมีรูปงามแม้แต่ศัตรูก็ยังชอบใจแต่แล้วสามีและบุตรสิบคนก็พากันออกบวชเพราะความพลัดพรากนั้นทำให้นางออกบวชเป็นภิกษุณีวันหนึ่งนางถูกใช้ให้ต้มน้ำจึงตักน้ำมาใส่หม้อเล็กตั้งไว้แล้วนั่งอยู่ จากนั้นก็เริ่มบำเพ็ญเพียรพิจารณาขันทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์แล้วบรรลุอรหัตผลเมื่อพวกภิกษุณีถามถึงน้ำร้อนก็ใช้ลิเ ต, เตโชธทา ท, ทำให้น้ำร้อนเร็วพลันภิกษุณีเหล่านั้นไปกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วทรงชื่นชมตรัสว่าแท้จริงบุคคลที่ปรารบความเพียรมั่นมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าคนเกียิคร้านละความเพียรแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีและทรงยกย่องท่านเป็นเลิศแห่งภิกษุณีผู้ประรบความเพียรแต่อักิกถาเอกนิบาตว่านางมีลูกชายและลูกสาวต่อมาลูกๆได้ดูแลกิจการงานส่วนต่างๆในสกุลและไม่มีความเคารพในมารดา นางจึงออกบวชวันหนึ่งท่านถูกภิกษุณีทั้งหลายลงทันทกรรมลูกๆมาพบเข้าก็พูดเยาะเย้ยว่าหญิงคนนี้ไม่รู้แม้เพียงสิกขาจนทุกวันนี้ท่านเกิดความสลดใจคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นชํารักกิเลสจึงพิจารณาอาการสามสิบสองมีผมและขนเป็นต้นในทุกๆเอริยาบท ก่อนบวชคนเรียกท่านว่าโสนาผู้มีลูกมากบัดนี้คนเรียกว่าโสนาผู้ประรบความเพียรและอัตถกถาเถรีคถาว่านางมีลูกสาวและลูกชายรวมสิบคนเมื่อสามีออกบวชนางจึงยกการงานและทรัพย์สินให้แก่บุตรธิดาไม่เหลือทรัพย์อะไรอะไรไว้เลย บุตและสะพายดูแลนางอยู่สองสามวันก็ดูหมิ่นดูแคลนนางจึงไปบวชบวชแล้วคิดว่าตนเองบวชเมื่อแก่ไม่ควรประมาทหลังทําวัดปฏิบัติแก่พิษุณีทั้งหลายแล้วก็เริ่มบำเพ็ญสมณธรรมใช้มือข้างหนึ่งจับเสาต้นหนึ่งใต้ประสาทไม่ละจากเสาเมื่ออยู่นอกประสาสก็เอามือจับต้นไม้ไว้ แล้วทำสมณธรรมรอบๆต้นไม้นั้นนับแต่นั้นมาท่านก็ปรากฏชื่อเสียงไปว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรต้มน้ำโดยไม่ก่อไฟวันหนึ่งพวกภิกษุณีให้ท่านต้มน้ำถวายภิกษุณีสงฆ์ก่อนน้ำเดือดท่านก็เจริญวิปัสสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระคาถาว่าผู้เห็นธรรมสูงสุดมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมสูงสุดแต่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีจบพระคาถาท่านได้บรรลุพระอรหัสตท่านเกรงว่าจะมีคนผู้ไม่รู้ดูหมินเอาอีกพวกเขาจะประสบบาปจึงจงใจเพื่อให้ผู้อื่นรู้ โดยโยกการาน้ำขึ้นบนเตาที่ไม่ได้จุดพวกภิกษุณีมาเห็นแต่เตาแต่ไม่ได้เห็นไฟก็ตำหนิว่าใช้ตั้งนานแล้วน้ำยังไม่ได้ต้มเตาก็ยังไม่ได้จุดท่านจึงถามว่าพวกท่านต้องการอาบน้ำด้วยน้ำร้อนหรือบัดนี้น้ำสุกแล้วท่านยกเอาไปเถิดภิกษุณีเหล่านั้นจุ่มนิ้วลงไปในน้ำก็รู้ว่าร้อน ทั้งหมดก็เอกใจว่านางคงบรรลุพระอรหันต์แล้วพิกษุณีที่อ่อนกว่าก็หมอบลงกราบด้วยเบญจางคปดิษฐ์ขอขมาว่าแม่เจ้าพวกเราไม่ได้พิจารณาจึงกล่าวเสียสีแม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดยกโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดส่วนพิกษุณีที่แก่กว่าก็นั่งกระยงกล่าวคำขอขมา ตั้งแต่วันนั้นคุณของพระเถวีก็ปรากฏไปทั่วว่าแม้ท่านบวชตอนแก่ก็ยังมีความสามารถถึงผลอันเลิศได้ในเวลาไม่นานเพราะเป็นผู้มีความเพียรต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางปรารภความเพียร โซนาเทอรีอุทานหลังได้รับการยกย่องแต่งตั้งแล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วอุทานว่าข้าพเจ้าครอดบุตรสิบคนในเรือนร่างคือรูปนี้เพราะเหตุนั้นจึงชราทุกพลภาพเข้าไปหาภิกษุณีภิกษุณีนั้นแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะและธาตุข้าพเจ้าฟังธรรธนั้นแล้ว ก็โกนผมบบดเขาพเจ้านั้นศึกษาอยู่ก็ชำระทิพยจักษุให้บริสุทธิข์ขขาพเจ้ารู้บทเพนิวาสยานรู้ขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนและเจริญอมิตตสมาธิมีจิตตั้งมั่นดีมีอารมณ์เดียวมีวิโมก์เกิดขึ้นในลำดับไม่ยึดมั่นดับสนิทเบนจะขันเขาพเจ้ากำหนดรู้แล้ว มีมูลรากอันขาดแล้วดำรงอยู่หน้าตำหนิความชาราที่น่าชางังบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกอันหนึ่งเมื่อดูตามแนวเรื่องวิธีบำเพ็ญสมณธรรมและพุทธพจน์ที่ตรัสแก่พระโสนาเถรีแล้วรงกับเรื่องพระพะหุปุตติกาเถรีซึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีมีบุตรชายเจ็ดบุตรสาวเจ็ด ต่อมาสามีของนางตายนางเชื่อคําของลูกๆที่ว่าหากแบ่งทรัพย์ให้พวกเราจะเลี้ยงดูแม่อย่างดีจึงแบ่งทรัพย์ครึ่งหนึ่งให้ลูกๆตนเองเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอาศัยอย่างบ้านลูกแต่ละคนอาศัยอยู่ได้สองสามวันก็จะถูกลูกๆกล่าวถ้อยคําประชดประชันว่าแม่มาอยู่เรือนเรา เหมือนกับแม่ได้สมบัติเราทั้งหมดนะ่ะนางได้ยินและสลดใจจึงไปบวชเป็นภิกษุณีได้ชื่อว่าพระหุปุตติกาคือผู้มีบุตรมากท่านคิดว่าตนเองบวชตอนแก่ไม่ควรประมาทบำเพ็ญเพียรด้วยการจับเสาและต้นไม้ทาสมณธรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงแผ่พระรัศมีไปตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมสูงสุดจบพระคถาท่านบลุพระอรหันตพร้อมทั้งปฏิสัมพิธาพุทธศาสนาสุภาษิตยัสสัทธา ย, ยะปปัจจิตาอาคารสมาอนาคาริยโสมอเมตโถอนุปปโต สัพพสังโยชนักขโยกุลบุตรกุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยน์ทั้งปวงหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับ 8. พระสกุลาเทรี ภิกษุณีผู้เลิศทางทิพยจักสุอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดเป็นพระชธิดาของพระเจ้าอา น, นทะในกรุงหังสวดีมีชื่อว่านันทนาและยังเป็นน้องสาวต่างมารดากับพระพุทธเจ้าปทุมุตระด้วยวันหนึ่งนางได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิ่ทางทิพยจักสุคือตาทิพย จึงถวายมหาทานและปรารถนาตำแหน่งนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจกสำเร็จสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นมนุษย์และบวชเป็นปริพาชิกาประพฤติอยู่ผู้เดียววันหนึ่งเที่ยวพิขาจา์หาอาหารได้เพียงน้ำมันจึงนำน้ำมันนั้นไปตามประทีปบูชาพระเจดีย์ชื่อสัพพสังวร ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสปะด้วยอำนาจกรรมนั้นไม่ว่าจะเกิดในที่ใดๆก็มีแสงประทีปคอยส่องสว่างให้เห็นสิ่งต่างๆได้โดยตลอดอัตถกถาเล่าว่าสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดในตระกูลพราหม์ต่อมาบวชเป็นปริภาชิกานักบวชหญิงผู้นุ่งผ้าขาววันหนึ่งเที่ยวหาอาหารได้แต่น้ามัน ยึงนำมาจุดประทีปบูชาพระเจดีย์พระศาสดาตลอดคืนอย่างรุ่งนางเกิดในตระกูลมหาศาลในกรุงสาวัตถีมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเป็นที่ยินดีและบูชาจากบุคคลทั่วไปวันหนึ่งนางยืนอยู่ที่หน้าต่างได้เห็นพระพุทธเจ้าของเราผู้รุ่งเรืองด้วยพระยศอันเทวดาและมนุษย์สักการะบูชา นางมีใจเบิกบานยินดีออกบวชได้ไม่นานก็บรรลุอรหัตผลและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีสาวิกาผู้เลิศทางทิพยจักสุอัตถกถาเล่าว่านางเกิดในตระกูลพรามในกรุงสาวัตถีชื่อว่าสกุลารู้เดียงสาแล้วมีศรัทธาฟังธรรมในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงรับพระเชตวันมหาวิหาร นางประกาศตนเป็นอุบาสิกาต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระอรหันต์รูปหนึ่งก็เกิดความสลดใจออกบวชเจริญวิปัสนาอยู่ไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ครั้นบรรลุแล้วมีความชำนาญในทิพยะจักสุและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพิษุณีผู้เลิศทางทิพยะจักสุ วันหนึ่งท่านพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วเกิดความปีติสมนัสอุทานว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเรือนฟังธรรมของภิกษุแล้วได้เห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมประศจากทุลีเป็นเครื่องถึงความสุขไม่จุดติข้าพเจ้าจึงละบุตรธิดาซับและข้าวเปลือกโกนผมบวชเป็นบรรพชิตข้าพเจ้าเป็นศิกขมนาอยู่ เจริญมรรคเบื้องบนและละราคะโทสะและอสวะทั้งหลายที่ตั้งอยู่รวมกับราคาโทสะนั้นได้ข้าพเจ้าอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วระลึกชาติก่อนได้ชำระทิพยจักสุให้บริสุทธิ์หมดมนทินอบรมแล้วอย่างดีข้าพเจ้าเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นของเกิดแต่เหตุมีอันสุดโทมไปเป็นธรรมดา แล้วอสวะ ท, ทั้งปวงเป็นผู้มีความเย็นดับสนิทแล้วพระเถรีบอกตัวท่านบรรลุโสดาปติผลก่อนบวช